หนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าวงเล็บเปิดยี 29. มีนาคม2551ัในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที22วงเล็บปิดศาสนาพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กถ้าเราจเจริญสติเป็นนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วมีคำว่าอย่างรวดเร็ว ด, ด้วยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของท่านเป็นธรรมะของมหาบุรุษของผู้ยิ่งใหญ่ธรรมะของท่านมีลักษณะพิเศษชนิดหนึ่งคือไม่เนิ่นช้า ฉะนั้นจะให้ผลเร็วถ้าเรียนได้ถูกต้องนะจะได้ผลทันตาเห็นเลยบางคนบอกว่าต้องเป็นแสนแสนชาติคิดมากไปบอกว่าให้ฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วอีกแสนชาติจะได้เกิดสติขึ้นมามีสติอัตโนมัติขึ้นมาช้าไปถ้าเรารู้ว่าสติเกิดจากอะไรเราทำเหตุของสติสิสติก็เกิดในชาตินี้แหละในเดือนนี้แหละในอาทิตย์นี้แหละหรือว่าในวันนี้แหละไม่ต้องแสนชาติหรอก